มีในสมัยหนึ่งตำฟังที่พระพุทธเจ้าตอนนั้นอยู่ที่เมืองเวสาลีในป่ามหาวันคือคำสอนของพระพุทธเจ้าในตำปฟังเป็นลักษณะที่ให้เกิดความเบื่อหน่ายกลายกหนัดคลายความยินดีคลายความยึดถือในสิ่งต่างๆทีนี้เทคนิควิธีหรือกระบวนการในการที่จะทำให้เกิดความ ในความคลายยินดีเนี่ยพระพุทธเจ้าก็จะเทศสอนไว้อยู่มากมายมีอยู่ในวาระหนึ่งที่พระองค์ได้สอนเรื่องของอสุภะคือเรื่องของความไม่สวยไม่งามในสิ่งต่างๆเห็นกายโดยความเป็นของไม่น่ายินดีพิจารณาเห็นสิ่งทั้งหลายโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่ยั่งยืนเป็นของไม่สวยงามโดยเฉพาะเจาะจงลงมาที่กายของเรา กายของคนอื่นเป็นลักษณะของอสุภสสัญญานาว่ากายมันเน่ายังไงมันเหม็นยังไงมันเป็นถุงหนังยังไงน่พอตรัสเรื่องราวตรงนี้แล้วในสมัยนั้นตั้งังพระองค์ก็ไปหลีกเร้นอยู่ประมาณส5บห้าวันคือครึ่งเดือนการไปหลีกเร้นของพระพุทธเจ้านั้นบางทีท่านก็ทำอยู่ครึ่งวันบ้างวันหนึ่งบ้างสามวันบ้างเจวันบ้างสิห้าวันบ้าง เดินหนึ่งบ้างหรือ3เดือนบางในวาระนี้เรื่องราวที่พระพเจ้าเล่าให้ธรรมบุฟังอยู่เนี่ยพระพุทธาไปหลีกเล่นอยู่15วันคือไม่ให้ใครเข้าพบไม่พูดคุยกับใครบินทบาทท่านก็ไม่ไปบินมีแค่ภิกษุที่เอาอาหารไปให้เพียงรูปเดียวในช่วงนั้นหลังจากที่พระพริชเจ้าไปหลีกเล้นแล้วบอกสอนภิกษุเรื่องของอัศวปาต่างๆแล้วเนี่ย ไปลิกเล่นอยู่15วัน พ, วพู้พิสูจน์ทั้งหลายก็เจริญอสุพะกันตบมังแต่ลักษณะคือวิจารณาเห็นความไม่งามในกายพอเจริญอสุพะมากขึ้นก็มีความหน่ายมีความคลายกำหนัดมีความรู้สึกอึอดอดัดเบื่อหน่ายรังเกียจกายของตนเปรียบเหมือนกับชายหนุ่มหรือหญิงสาวที่แต่งตัวดีแล้วชอบความสวยงามไม่ชอบความน่าเกลียดเนี่ย แต่ว่าดันมีซากศพงูศพ ส, สุนักหรือศพมนุษย์เนี่ยมาแขวนไว้ที่คอเนี่ยมันจะแบบอึดอัดรังเกียจขี้เดียดมากๆเลยนันจะมีความรู้สึกแบบนี้ภิกษุเหล่านั้นก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันในมีความอรู้สึกมีอารมณ์เป็นแบบนี้นั่นห ล, ลายท่านที่ปฏิบัติธรรมก็คงจะรู้สึกในอารมณ์แบบนี้เหมือนกันคือเราจเจริญอสุภาษมากๆรู้สึกว่ามันเบื่ออะไรไปหมดเลย แต่ทางานก็เบื่อครอบครัวก็เบื่อครัวเรือนก็เบื่อโอ้ยเบื่อไปหมดเนี่เบื่อทั้งบ้านเบื่อทั้งงานเบื่ออะไรไปหมดอย่างเงี้ยนี่นคืออารมณ์แบบนี้ละ่ะทีนี้ภิกษุพวกนี้เขาเบื่อร่างกายของตนนล้ก็เลยมีความคิดที่จะฆ่าตัวเองไมยเบื่อมากฆ่าตัวตายซะแตะมีความคิดว่าอย่างงี้แล้วบางรูปบางคนก็ทําด้วยตัวฝังแต่ตรงนี้จึงเป็นต้นบัญญัติเรื่องแรกเริ่มเดิมที ของการที่ภิกษุเนี่ยไปฆ่ามนุษย์รือบางทีก็ฆ่าตัวเองบ้างฆ่าคนอื่นบ้างนั่นคือให้คนอื่นมาฆ่าตัวเองบ้างจ้างวานให้เข้ามาฆ่าบ้างแต่เพราะว่าความน่ายคลายความยินดีตรงนี้เกิดความเบื่อในกายนี้อย่างมากบางกลุ่มทั้งผู้ฟังที่ไปจ้างวานให้ภิกษุรูปอื่นฆ่าบ้างในวัดเนี่ยก็มีตาเถรอยู่คนหนึ่งนั่นก็ว่าเถรเนี่ยนะสะเอตอตูนอหนูเนี่ย หมายถึงโจรถ้าสระเอทอถุงรอเรือคือเทระเนี่ยอันนี้หมายถึงภิกษุผู้มีอาวุโสมากหรือผู้เป็นเทระอย่างนั้นในที่นี้คือเถนนอหนูแล่ว่าเถนเนี่ยหมายถึงโจรก็ได้หรือว่าหมายถึงผู้ที่มาอยู่ในวัดศึกษาธรรมะโกนผมแต่ว่าไม่ได้บวชแล้วก็นุ่งห่มคล้ายๆภิกษุแต่ว่ายังไม่ได้บวชนะอาจจะเป็นคนแก่ หรือว่าที่มาอาศัยข้าวพระกินเขาก็ก็จะเรียกรวมว่าตาเถนอย่างศัพท์ที่เราเคยได้ยินว่าตาเถนตกกโถนเนี่ยก็คือตาเถนประเภทนี้แหละคนที่อยู่วัดอาจจะทําอะไรซุ้มซ่ามบ้างยังไม่ได้บวชพระแต่มีลักษณะคล้ายๆกับสมณะอยู่แต่เป็นสมณะในประเภทอื่นยังไม่ใช่ในคําสอนของพระพุทธเจ้าในสมัยนั้นท่านผู้ฟังก็มีตาเถนคนนี้ชื่อว่ามิฆลันติกะ ตาเถนมิฆลันทิกานี้ก็คอยอยู่รับใช้พระภิกษุในอาวาสนั้นพอภิกษุส่วนหนึ่งมีความรังเกียจในกายของตนก็เลยเข้าไปหาตาเถนมิะลันทิกานี่แหละแล้วก็บอกให้ช่วยฆ่าอาตมาให้หน่อยแล้วก็จ้างด้วยค่าจ้างคือบาทบ้างจีวรบ้างเอาให้ตาเถนคนนี้ตาเถนนี่ก็เอาอาวุธมาเลยแล้วก็ฆ่าภิกษุเป็นจํานวนมากเลยในวันนั้น เราก็ถือดาบเปื้อนเลือดทั้งหมฟังไปที่แม่น้ําวักกุมุธาน่ละล้างมีดอยู่เนี่ยล้างดาบของตัวเองอยู่เนี่ยเลือดก็ไหลตามแม่น้ําไปเนี่ยแต่แตนมคฆะลันทิกานี่ยเห็นเลือดลอยตามน้ํำไปเนี่ยนะดาบแดงเปื้อนเลือดอยู่เนี่ยก็เลยมีความคิดความกังวลใจเดือดร้อนใจว่าอู้ตายแล้วแต่และนี่เราทําชั่วหรือเปล่าเนี่ยเราฆ่าภิกษุผู้มีศีลผู้มีกัลยาณธรรมน่ะมีความ เดือดเนื้อร้อนใจขึ้นมาละในสมัยนั้นทับวังทันทีทันใดที่ตาเทน็นมีการหลันทิการคิดอย่างนี้เนี่ยก็มีเทวดาที่นับเนื่องในหมู่มารทับวังเวลามานันารเดินมาเนี่เดินบนผิวน้ําเนี่ยน้ําจะไม่แตกกระเซ็นดังนั้นถ้าเราเห็นใครเดินมาตามผิวน้ําแล้วน้ําไม่แตกกระเซ็นมาพูดกับเราอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยให้ทับวังระวังไว้เลยนะวันนั้นอาจจะเป็นมารก็ได้หํามั น, มนตนนี้ เดินมาตามผิวน้ํามาบอกกับตาเทนมีกาตหลันที่กานี้บอกว่าท่านทําเนี่ยมันถูกแล้วนะเป็นลาบของท่านแล้วนะท่านช่วยส่งคนที่ยังไม่พ้นทุกข์เนี่ยให้พ้นทุกข์ได้ท่านสะสมบุญไว้มากทีเดียวนั่นคือมารมันมาพูดให้ตาเทนี่เขวะละนั่นคือตาเทนนีิก็ยังมีหิหริ อ, อตตะปาเขาอยู่ใช่ไหมพอล้างมีดเลือดมันไหลไปตามกระแสน้ําเห็นคราบเลือดไหลไปเนี่ย ก็รู้สึกว่าให้เราทำชั่วนะเนี่ยทำบาปคิดว่าจะไม่ทำมานนี้ก็มาพูดคุยในลักษณะที่บอกว่าอันนี้เป็นโชคดีแล้วขอให้เราฆ่าเนี่ยแหมส่งคนเดี่ยงไม่พ้นทุกข์ให้ข้ามพ้นทุกข์ได้แต่เทนมีค้าลันทิกานี้ได้ยินอย่างนั้นก็เลยคิดว่าเออจริงใช่เราทำถูกแล้วก็ยิ่งทำเข้าไปใหญ่ตะหวงังแล้วเอาถือดาบอันคมกริบที่ล้างมาใหม่ๆเนี่ยเข้าไปในวิหาร แล้วก็กล่าวกับพวกภิกษุว่าเอาใครยังไม่พ้นทุกมาข้าพเจ้าจะช่วยส่งให้พ้นทุกให้แต่ใคร น, ใ น, ใ น, ในายใครกําหนัดแล้วรู้สึกอึดอัดรังอารังเกยียจร่างกายของตนมาจะช่วยจัดการให้บางวันตเทนิก็ฆ่าพระวันละรูปบ้างสองรูปบ้าง10รูปบ้าง20รูปบ้างบางวันฆ่า50รูปบ้าง60รูปบ้างตามฝังหลงกิจูแตะฆ่าพระวันละเป็น10บสบรูปอ่ะพระพุทธเจ้าไปหลีกเล้นอยู่15วันใน บ, บูฟัง ไม่มีใครห้ามพระนี่ไม่มีคนที่จะบอกสอนเลยตอนนั้นเข้าใจผิดกันไปใหญ่พระก็ตายกันเป็นเบื่อเลยตัง้งุฟังกลิ่นคาวเลือด น, นี่ฟุ้งวิหารไปเลยแต่เถ่นมิคะลันธิกานิทาหน้าที่รับหมดเพราะผ่านไปครึ่งเดือนตัง้งบุฟังพระพุทธเจ้าเสด็จออกจากที่ลีกร่นเห็นว่าเอภิกษุดูน้อยตาลงไปแล้วก็ถามท่านพระอนุน์พระอนนก็รายงานให้ทราบ ว่าตัวพระองค์เนี่ยเทศเรื่องอสุภะภิกษุทั้งหลายพิจารณากันแล้วก็เกิดความเบื่อหน่ายอึดอัดระอารังเกียจในกายก็เลยฆ่าตัวตายบ้างใช้ให้ผู้อื่นฆ่าบ้างแล้วบางกลุ่มก็ให้ตาเท็นมิฆะลินทิกะนี่แหละฆ่าให้หน่อยท่านพระนนก็เลยขอโอกาสณจุดนั้นแล้ขอให้พระพุทธเจ้าสอนวิธีการอื่นในการที่จะให้ตรัสรู้อรัตผลแล้ขอวิธีการอื่นนอกจากวิธีการเจริญอสุภะนี้ได้ไหม พระพุทธเจ้าก็เลยเรียกประชุมสงฆ์ทั้งบวแล้วก็ตรัสเรื่องของอาณาปานสตินต่ว่าอาณาปานสติคือการมาระลึกถึงลมหายใจเข้าลมหายใจออกเนี่ยเป็นธรรมที่จะให้อกุศลธรรมมันระงับไปเหมือนกับถ้ามีฝุ่นฟุ้งขึ้นเนี่ยอยู่ๆมีฝนตกลงมาฝุ่นนี้ก็ระงับไปโดยได้บอกถึงอาณาปานสติการหายใจเข้าหายใจออกมีสติอยู่ในทั้ง16ขั้นตอนพระบอก เรื่องของอาณาปานสติทั้งส6บขั้นตอนนี้แล้วก็ตรัสตามภิกษุเหล่านั้นเตมบูฟังว่าเรื่องนี้มันเป็นจริงไหมที่ว่ามีการฆ่ากาันเพราะว่ามีความระอารังเกียจในกายเมื่อภิกษุทั้งหลายก็รับคำว่าจริงเนี่ยพระพุทธเจ้าก็เลยบัญญัติว่าห้ามนะไม่ให้ฆ่าตัวตายจะฆ่าเองให้ผู้อื่นฆ่านะเพราะว่ามันเป็นจริงที่ไม่ดีเป็นจริงที่ไม่ควรทำ การพรากกายมนุษย์จากชีวิตหรือแสวงหาศาสตรามาให้เขาฆ่าทำเองก็ตามจ้างวานก็ตามแล้วก็ไม่ได้แต่ตรงนี้เป็นต้นบัญญัติเรามาทำความเข้าใจกระบวนการตรงนี้สนันิดหนึ่งดังบบฟังว่าเฮ้ยทำไมคนพิจารณอาอสุพะแล้วถึงจะไปคิดฆ่าตัวตายได้ น, น, นี้เป็นต้นบัญญัติของศีลสำหรับภิกษุในปาราชิก ข, ข้อที่3นมนะดับบุฟังที่พูดถึงกันฆ่ามนุษย์ เอาเฉพาะมนุษย์ด้วยกันถ้าเป็นสัตว์อื่นนี้จะเป็นอาบัตที่รองๆองลงไปเบาลงไปณที่หมู่ภิกษุผู้ที่เขาเจริญสุภาเนี่ยเราก็มีความรู้สึกอึดอัดเบื่อนายระอาังเกียจในร่างกายของตนเนี่ยเรามาทําความเข้าใจตรงนี้ตัง้งบุฟังคือถ้าบอว่าเขาได้รับการแนะนําอย่างถูกพิธีณถ้าภิกษุผู้ที่คิดว่าฉันจะฆ่าตัวตายแล้วเนี่ยได้รับการแนะนําอย่างถูกพิธีเนี่ยเขก็มีความหน่ายเกิดขึ้นเนี่ยนะ มีความไหนเกิดขึ้นเนี่ยเขาทําต่อไปแต่ก็ให้อยู่ในมรรคต่อไปคือไม่ฆ่าสัตว์ละไม่ฆ่าตัวเองด้วยแต่ให้ดํารงสติไว้ให้มัน่นคือตั้งสติไว้ดีนี่คือประเต็นถ้าตั้งสติไว้ไม่ดีไอ้ความที่รู้สึกอึดอัดราอารังเกียจเนี่ยมันจะถูกใช้เป็นคเครื่องมือด้วยโมหะได้โมหะคือกิเลสอย่างหนึ่งนะโหยฉันแบบระอารังเกียจมากเลยอึดอัดมากเลยในกายนี้โมหะได้ช่องทันดีนี่คือความเป็นมานะอย่างหนึง่ง นี่คือเป็นความฟุ้งซ่านอย่างหนึ่งความถือตัวอย่างหนึ่งอันนี้เป็นเรื่องร้อยรัดคือสั่งย์ที่อยู่ในเบื้องต่ําลึกๆนู่นเลยมันจะได้ช่องตรงนี้ถ้าสติเราไม่มั่นคงเพราะสติเราไม่มั่นคงกิเลสได้ช่องตรงนี้ทําให้ความคิดมันฟุ้งซ่านไปแล้วว่างั้นฉันฆ่าตัวตายดีกว่าแล้วก็ไม่มีผู้ที่เป็นกัลายาณมิตรคอยอบรมแนะนำปรัมสอนจังหวะนั่นก็เป็นจังหวะที่แหมพระพุทธเจ้าก็ไปหลีกเล่นพอดี เลยไม่มีใครบอกสอนสั่งสอนห้ามว่าควรจะทำอย่างไรต่อไปก็เลยทำไปตามที่คิดกิเลนได้ช่องตรงนั้นมีความฟุง้งซ่านขึ้นโมหะเข้ามากลุ่มรุมคิดว่าจะฆ่าตัวตายละ่ะก็เลยทำซะในเป็นเรื่องที่ไม่ดีเป็นเรื่องที่จะเป็นต้นบัญญัติกองอาบัติปาราชิกในข้อที่สามที่ถควรทำอย่างไรต้องรวังคือถ้าเรามีความเบื่อหน่ายคลายความยินดีเอาไม่ใช่เฉพาะในกายของเราก็ได้ จะเบื่องานเบื่อบ้านคือถ้านี่พูดเฉพาะเจาะจงลงมาในเรื่องของการปฏิบัติธรรมนะ น, นะฟังนะคือเราไม่ได้พูดถึงเรื่องของความเบื่อเซ็งชนิดที่เป็นพวกนิวรนไม่เอาตรงนั้นอันนั้นยกไปเลยแต่เรามาพูดถึงความหน่ายคือนิพิทาแล้วนะมีความเบื่อหน่ายมีนิพิทาเราพิจารณาเห็นตามเป็นจริงฉันมานั่งสมาธิเป็นปีแล้วรู้สึกเบื่อมากการครองเรือนโอ้อยากจะบวชอยากจะทิ้งทุกอย่าง งานการไม่อยากทำครอบครัวไม่อยากอยู่รวมถึงงานนั่นนี่ก็เซ็งไปหมดไม่อยากทำไปหมดเนี่ยถ้ามีความเบื่อความอึดอัดรังเกียจในเรื่องราวต่างๆเนี่ยแล้วจะทำยังไงต่อไปแต่คือจะทำแบบในลักษณะหมู่ภิกษุที่เป็นต้นบัญญัติเนี่ยเราก็จะพลาดหนักถึงขนาดไปฆ่าตัวตายอันนี้ไม่ถูกต้องละบางคนถึงกับลาออกจากงานการเรียนเสียการงานเสียครอบครัวแตกแยก เออปฏิบัติธรรมแล้วทำไมยังเป็นถึงขนาดนั้นก็มีนะเระว่ามันถึงจุดนี้แล้วมันไปไม่เป็นถึงจุดที่ราว่ามีความอึดอัดเบื่อหน่ายในทางกลัวเรือนละจะเป็นในร่างกายก็ตามเป็นในสิ่งภายนอกก็ตามถึงจุดนี้แล้วไปไม่เป็นเนี่ยมันก็ถึงความได้กิเลสได้ช่องได้สังโย์มันรึงรัดร้อยรัดแน่นขึ้นชีวิตอาจจะพลาดไปในวิธีการแก้ไขในจุดนี้ให้ถูกต้องเดี๋ยวบ้าง จะบ๊อจาะจงลงมาถึงคนที่เขาปฏิบัติธรรมมาถึงระดับหนึ่งแล้วมีความหนายแล้วอิอจฉาแล้วเนี่ยยิ่งจะต้องตั้งสติอาไว้ให้มั่นคงอย่าให้กิเลสมันได้ช่องตรงนี้ให้ได้ตั้งสติไว้ให้มั่นคงให้อยู่ในมรรคให้ได้คํานี้เป็นความที่กว้างมากนะตั้งไว้คำว่าให้อยู่ในมรรคให้ได้เนี่ยเพราะว่าถ้าเราจะฆ่าอันนี้มันปิดมรรคถ้าเราจะคิดไม่ดีคิดตําหนิคนนั่นคนนี้ แม้ฉันเบื่อในาใยครายความยินดีแล้เธอจะมากวนอะไรกันไปข้างบ้านทําเสียงดังอา้าววีดวาดขึ้นมาละอันนี้ก็เป็นมิจฉาสังกปะคุณก็ต้องให้อยู่ในสัมมาสังกปะเป็นความคิดที่ไม่ดีจะเกิดขึ้นจากการที่เราปฏิบัติธรรมมันไม่ได้มันผิดหลักมากแล้วแต่คุณสตินี่มีกําลังไม่พอต้องยิ่งตั้งสติไว้ให้มันบางทีกิเลสมันโผล่มาทางความคิดว่าจะด่าเพื่อนบ้านมันทําเสียงดังอันนี้เราต้องหยุดความกิ น, เนีเ้อย่าไปทํามิจฉาวาจา อย่าไปทามิจฉาสังกะปะในการที่จะลงมือฆ่าตัวเองให้คนอื่นมาฆ่าก็ต้องตั้งสติไว้ดีอย่าให้มันหลุดไปทางมิจฉากรรมันตะแนวสตินี้จะเป็นตัวที่คุมอยู่ตลอดเลยท่านผู้ฟังอันนี้ถึงจะเรียกว่าทําถูกนะคือถ้าพระพุทธเจ้าอยู่ในที่นั้นเนี่ยเปิดโอกาสให้เข้าพบได้หรือสอบถามปัญหาอะไรได้ภิกษุที่เขามีความรู้สึกออัดอระอารังเกียจอย่างนี้เนี่ย <c oughs> เขาก็จะเข้าไปถามพระพุทธเจ้าแล้วว่าเออเอองั้นข้าพระองค์จะต้องทํายังไงต่อไป แต่พระพุทธเจ้าก็จะแนะนําว่าให้ตั้งสติให้ดีให้ตั้งสติให้ดีให้อยู่ในมรรคให้ดีอย่าไปทําผิดมรรคในการฆ่าการจ้างคนอื่นฆ่าให้ตาเถนมิลันทิกะจัดการเนี่ยก็จะไม่เกิดขึ้นแต่ยิ่งตาเถร น, นี่ถูกคําแนะนําของมารนีโอ้ยไปกันใหญ่เลยมีโปรโมช่องโปรโมชั่นรับจ้างฆ่าพระกันเกิดขึ้นอันนี้คือเรื่องราวในอบัตติ巴拉ชิ้อที่สามต่องัง ในคือในเรื่องต้นบัญญัตริรายละเอียดต่างๆที่มีเพิ่มเติมขึ้นมาก็มีแต่ือไม่ใช่แค่การฆ่าเท่านั้นหรือการจ้างวานหรือการหาอาวุธมาให้แต่ยังรวมถึงการที่พูดจูงใจให้เขาเห็นคุณของความตายนะับปรณาคุณแห่งความตายะว่าตายแล้วมันจะดีนะงั้นนี้นะโดยจุดประสงค์เพื่อที่ต้องการให้คนนั้นตายนะอันนี้จะทําให้เป็นอาบัติาราชิกในข้อที่3นี้ได้ ในเรื่องราวตรงนี้ก็เคยมีเกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลท่มผู้ฟังมีอุบาสกคนหนึ่งล้มป่วยนหมู่ภิกษุพวกที่เป็นลักษณะของสีถนนชัยพอพระพุทธเจ้าบัญญัติข้อห้ามอันใดอันหนึ่งออกมาแล้วเนี่ยพวกภิกษุกลุ่มนี้ก็มักจะหาช่องหารูเลี่ยงบาลีหาช่องของกฎหมายตะแคงตะแบงไปคือพอพระพุทธเจ้าระบุว่าห้ามฆ่ามนุษย์ แต่ว่าภิกษุพวกนี้เขาเห็นว่าอุบาสกที่ล้มป่วยเนี่ยแหมมีภรรยารูปร่างหน้าดูหน้าชมก็จึงปรึกษากันว่า ง, งั้นเราไปทำให้อุบาสกเนี่ยเขาตายดีกว่าแต่ฆ่าก็ไม่ได้ใช่ไหมหาอาวุธมาให้ทำก็ไม่ได้จ้างวานก็ไม่ได้งั้นเราไปพูดให้เขาเห็นคุณของความตายเขาจะได้ตายเร็วๆ เ, เราจะได้ภรรยาที่รูปสวยของเขาแต่ยงเงี้ยพวกภิกษุพวกนี้ก็เลยไปแสดงธรรม ในลักษณะที่ให้เห็นว่าท่านทำความดีมาตายไปได้สวรรค์ น, นะตายเนี่ยมันดีจะได้บังเกิดในสุคติโลกสวรรค์แต่อุบาสกนั้นเ็เห็นตามนั้นเลยตะบูฟังก็เลยกินของสแสลงกินของที่ไม่ดีกับตนสแสลงกับโรคอะไรที่มันจะกินดื่มลิ้มแล้วอาการมันจะหนักขึ้นกับกินสิ่งนั้นอย่างเงี้ยอาพาธก็หนักขึ้นตะบูฟังจนกระทั่งถึงความตาย้าไปนัปริยาพอทราบความแล้ว ก็เลยเอาข่าวนี้ไปบอกพระพุทธเจ้าพระพุะะทธเจ้าก็เลยบัญญัติเพิ่มทัมดฟังนั่นคือไม่ว่าจะฆ่าเองก็ตามจ้างหวานผู้อื่นหาอาวุธให้หรือว่าชักชวนเพื่อความตายไม่ว่าจะแสดงตามไม่เห็นโทษของนรกให้เห็นคุณของสวรรค์แล้วตายตายไปซะด้วยจิตที่คิดว่าต้องการให้เขาตายเนี่ยการพูดจูงใจเขาแล้วเขาไปฆ่าตัวตายจริงๆเนี่ยอันนี้จะเป็นอาบัติปาราชิก แต่ที่นี่อางข้าพเจ้าตามอย่างนี้ก็เสี่ยงเหมือนกันนะท่านผู้ฟังแต่สมมุติว่าข้าพเจ้าพันานาคุณของสวรรค์แล้วมีคนในคนหนึ่งคิดว่าเออใช่งั้นไปสวรรค์ดีกว่าฉันก็ตายซะอันนี้ก็จะมีความเสี่ยงในอาบัตข้อนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นท่านผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นอาบัตข้อไหนๆโดยเฉพาะยิ่งอาบัตหนักอย่างนี้เนี่ยเราจะต้องดูที่เจตนาของผู้ที่พูดนั้นแต่ว่าถ้าเจตนาคิดว่าจะให้เขาตายอันนี้ผิดแน่นอนแล้เาเข้าไปตายจริงๆนะ แต่ยังไม่ตายนี้ก็ยังไม่เป็นไรแต่ถ้ามีเจตนาที่คิดว่าจะให้เขาทําความดีในช่วงอายุที่ยังมีอยู่เนี่ยยังกัปปะชาเนี่ยบางทีพูดถึงเรื่องสวรรค์บางทีพูดถึงเรื่องโทษของนรกจุดประสงค์ของที่ข้าพเจ้าพูดเนี่ยนะก็เพื่อให้คนนั้นทําความดีนั่นก็คือจุดประสงค์เดียวกันกันกบของพระพุทธเจ้าที่ท่านตรัสไว้เนี่ยไม่ได้ต้องการให้คนไปตายแต่ต้องการให้คนนั้นสร้างความดีต้องการให้คนนั้นละความชั่วลจึงพูดถึงเรื่องของนรกบ้างสวรรค์บ้าง นั่ อ, อธิบายเรื่องชีวิตหลังความตายเพื่อให้คนที่เป็นอยู่เนี่ยเขาได้ทำความดีในช่วงชีวิตที่เขาเป็นอยู่ไม่ได้อธิบายเรื่องชีวิตหลังความตายเพื่อให้เขาได้รีบๆตายไปนารายละเอียดในเรื่องของอับาลราชิกนี้ก็ยังมีอีกหลายข้อบ้ังเรื่องของการพยายามฆ่าถ้าทำสำเร็จอันนี้กปาราชิก ค, คืออับา ท, ที่หนักแล้วก็แก้ไขไม่ได้ขาดหมดจากความเป็นพระเลยแต่ถ้าไม่สาเร็จ จงใจฆ่าอยู่แต่ว่าไม่สำเร็จหรือว่าสั่งเข้าไปฆ่าแต่ว่าเขาฆ่าไม่สำเร็จก็จะเป็นอาบัตที่หนักเหมือนกันแต่ว่าพอแก้ได้ก็เรียกว่าอาบัตชื่อว่าจุด ล, ละใจแต่แล้วการที่บางทีถ้าพระมาเล่นจ้าเอ๋กันอย่างเงี้ยแล้วทาให้เขาตกใจตกใจจนถึงกับแบบอึ๊กๆขึ้นแล้วตายไปเนี่ยถ้าทำด้วยเจตนาที่จะฆ่าอันนี้ก็จะผิดอาบัตในข้อนี้แต่ถ้าไม่ได้เจตนา แล้วเกิดเขาตายไปเนี่ยอันนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นอาบัติประราชิกนะแต่ว่าจะเป็นอาบัติข้ออื่นที่เบากว่าลงไปแล้วลักษณะการเล่นแบบเล่นจ้าเอ๋เนี่ยก็ต้องระมัดระวังด้วยบ้า ง, งเพราะว่าในสมัยพุทธกาลเนี่ยมีภิกษทุที่เขาเอามือไปจี้เอวกันนะให้หัวเราะเนี่ยไปจี้เอวกันจนกระทั่งหัวเราะจนตายด้วยบ้า ง, งที่ดูเดอะเคสกรณีแบบนี้ก็มีไปจี้เอ๋ของเพื่อนให้เพื่อนนี้หัวเราะหัวเราะไปหัวเราะมาเออเอะ ไม่รู้มันไปติดขัดเรื่องระบบทางเดินหายใจอย่างไรพิกษุรูปที่ถูกจีเอนั้นก็น็อกไปตายไปให้คนที่ไปเล่นกับเขาจี G เขาเนี่ยก็เกิดความร้อนใจ ล, ละแ้วก็ลักษณะเดียวกันทั้งบุฟังว่าถ้าไม่มีเจตนาแ้วก็ไม่ถือว่าเป็นอาบัตแต่การเล่นพวกนี้ก็ไม่ดีพระพุทธเจ้าจึงปรับอาบัตในข้อที่ต่ำกว่าลงมาว่าห้ามเล่นจีเอกันห้ามเล่นอะไรที่มันจะพิเรนพิเ ร, น พ, เรนพวกนี้ จะมีการปรับอาบัตที่เบาลงมาในข้อนี้อยู่หรือแม้แต่การที่สั่งไปประหารแต่คือบางทีไม่ได้ต้องการให้ถึงตายแต่ว่าบางทีสั่งนักเลงไปเพื่อดีจะให้ไปสั่งสอนคนนี้แต่ทำไปทำมากลับตายขึ้นอย่างเงี้ยแตถ้าดูที่เจตนาไม่ได้ต้องการให้ตายเนี่ยก็ถือว่าไม่ตายนะแต่การที่จะไปประหารการประหารนี่คือการทุบตีเนี่ยถ้าทุบตีสามเณรด้วยจิตที่มีโทสะเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นอาบัตเหมือนกัน แล้ก็จะมีอาบัตที่รองๆองลงมาเบาวกว่าพอสามารถแก้ได้และในสมัยพุทธกาลเนี่ยก็มีพระหนุ่มไปนวดพระแก่พระแก่ที่ถูกนวดนั้นนวดๆวดไปอยู่ก็ตายไปแล้พระหนุ่มคนนี้ก็เลยร้อนใจว่าเอ๊ะฉันเป็นอาบัตหรือไม่แต่ซึ่งในสมัยปัจจุบันเนี่ยข้อวัดในการที่นวดครูบาอาจารย์นี่ก็ยังมีอยู่แล้วบางทีเรามานวดครูบ า, ราจารย์ท่านนอนไปเรามานวดให้เนี่ยแล้วเกิดท่านมรณะผ้าไปนะขณะนั้น โดยที่เรารู้หรือไม่รู้ก็ตามแต่เราไม่ได้มีเจตนาในการที่จะฆ่าเนี่ยอันนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นอาบั ต, ตในเรื่องนี้ต้องมีการพิจารณาให้รอบคอบต้องวังโดยฉเฉพาะยิ่งอาบัตที่หนักขนาดนี้เนี่ยในสมัยพุทธกาลนี่ยังมีเรื่องราวรายละเอียดที่ยุบยับหยุมหยิมมากเลยเช่นพระไปบินตบาบัดมาได้อาหารมาเนี่ยแต่ว่าอาหารนี้ดันมียาพิษตัวเองได้รับอาหารที่มียาพิษมานี้ก็ไม่รู้ แต่ว่าเอามาแบ่งเพื่อนแต่ตัวเองไม่ได้กินเพื่อนกินไปเพื่อนตายอา้าวภิกษุทั้งหลายก็เลยโจทย์ว่าเอาคุณเอาอาหารอะไรมาเนี่ยทาให้เพื่อนตายเอาคุณปเป็นอบัติปราชิกแต่พอตรวจสอบกันจริงๆแล้วภิกษุที่เข้าไปบินตาบัดได้อาหารที่เป็นพิษมาเนี่ยเขก็ไม่รู้แล้วก็ไม่ได้มีเจตนานนี้ก็รอดตัวไปมีเรื่องของการทํางานก่อสร้างอีกต้องฟังทํางานก่อสร้า ง, ง, าางมีหินศิลาบ้างอิฐบ้างมีดบ้างหล่นมาจากข้างบน เป็นการก่อสร้างกุฏิวิหารหรือเจอดีย์ก็ตามเนี่ยพิกษุที่อยู่ข้างบนทําของหล่นลงมาใส่หัวพิกษุที่อยู่ข้างล่างแล้วหัวเบะออกเงียนตะวังตายคาที่เลยเนี่ยมีช็อะลงมาหัวหัวเบะออกนะตายเนี่ยถ้าพิกษุที่อยู่ข้างบนนั้นมีเจตนาอันนี้ก็เป็นอาบัติประราชิกแต่ถ้าไม่ได้มีเจตนาในการที่จะทำให้เขาตายอันนี้ก็จะไม่เป็นอาบัติจะมีเรื่องราวอย่างเช่นว่าพระกินข้าวกันอยู่เนี่ยนั่งเป็นวงเนี่ยนะ ในบางสมัยก็อนุญาตให้นั่งเป็นมงได้พระรูปหนึ่งกินอาหารเข้าไปติดคออึ๊อึ๊ขึ้นเอาพระอีกรูปหนึ่งก็เลยช่วยตีอกให้นะทุบ อ, อกให้ปึกเพื่อที่จะให้อาหารนั้นสำราออกมาปรากฏอาหารก็สำราออกมาเลือดก็ออกมาด้วยภิกษุที่กินอาหารเข้าไปติดคอนั้นตายอย่างเงี้ยไอภิกษุที่ไปช่วยเขาตีอกเ้าเนี่ยก็มีความร้อนใจว่าโอตายแล้วฉันอบัตภารชีกหรือไม่เนี่ยถ้าไม่ได้เจตนา ว่าจะทำให้เขาตายก็ไม่เป็นอาบัติปา ร, ราชีในข้อนี้แล้วก็มีบางเคสบางกรณีที่วังมีเจตนาพยาบามว่าแม่ไอ้หมอนี่มันไม่น่าจะเป็นอยู่เลยแล้วก็เลยไปแกล้งไปทาําอะไรก็ทําให้เป็นอาบัติในข้อนี้เหมือนกันมีเรื่องที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นอนุบัญญัติในเรื่องของการพรากกายมนุษย์จากชีวิตนี้คือมีภิกษุรูปหนึ่งเนี่ยไปในหมู่บ้านขณะที่ไปในหมู่บ้านนั้นก็ไปนั่ง นั่งในที่ที่เขาจัดไว้ให้นี่แหละแต่ว่าไม่ได้ดูให้ดีซะก่อนในะที่ที่เขาจัดไว้ให้นั้นก็มีเด็กทารก ค, คลานมาอยู่ตรงที่นั่งของพระพอดีพระนี่นก็ไม่ได้ดูแ้วก็นั่งทับลงใบปรากฏว่าเด็กตายตะบูฟังนั้นะเด็กตายทายําไงพระก็เลยร้อนใจว่าโอ้ตายละฉันคงเป็นอบัาปาราชิกแล้วเนี่ยฆ่าเด็กแต่แต่เพราะว่าเจตนาไม่มีนั้นก็จึงไม่เป็นแล้วก็บัญญัติกฏเพิ่มตะบูฟังสําหรับพระเนี่ยพระพุทธเจ้าบัญญัติว่ก่อนจะนั่งเนี่ยต้องดูให้ดีซะก่อน เราจะเห็นพระบางรูปเนี่ยก่อนจะนั่งท่านก็จะต้องเอาผ้ามาปูจับๆรูปรูปดู ว, ว่าไม่มีอะไรตรงนั้นถึงจะนั่งได้อย่างน้อยก็ต้องชำเลืองตาดูหรือเอามือจับๆดูเนี่ยเราจะเห็นพระบางรูปที่เขามีข้อวัดข้อปฏิบัติอย่างนี้เนี่ยตรงนี้ก็เป็นต้นบัญญัติของจุดนั้นแหละที่มีเด็กตายเพราะว่าถูกพระนั่งทับในเรื่องของอาบาดปาราชิกนี้ที่พระเจ้านํามาเล่าให้ท่านฟังฟังตั้งแต่ ตอนแรกในเรื่องของพระสุธินะที่ไปเสพเมถุนทําให้พระพุทธเจ้านั้นบัญญัติข้อที่ห้ามพระสงฆ์เสพเมถุนในข้อที่สองเรื่องของท่านพระธนิยะที่ไปเอาไม้ของหลวงมาสร้างทาเป็นกุฏิโดยไม่ได้รับอนุญาตทําให้พระพุทธเจ้านั้นบัญญัติในเรื่องของการที่ถือเอาทรัพย์ปันชั่ของไม่ได้ให้นะห้ามทําอย่างนั้นและในข้อที่สตรงนี้ท่านบวงก็คือการห้าม พระกายมนุษย์จากชีวิตคือห้ามฆ่ามนุษย์ต น, นเองแต่ได้เป็นสัตว์อื่นๆที่ไม่ใช่มนุษย์ก็จะมีความผิดที่น้อยลงไปนะในที่นี้ก็มีเคสมีกรณีที่มีพระรูปหนึ่งเคยเป็นหมอผีมาก่อนแล้วก็เลยใช้มนเนี่ยฆ่ายักษ์หรือฆ่าผีพอเดวเงไปฆ่าแล้วเนี่ยก็เลยมีความคิดว่าเอ้ยฉันจะเป็นอาบัตไม่นอ้อไปสอบถามกับพระพุทธเจ้านะก็ได้ความว่าอาบัตเนี่ยสำหรับมนุษย์เท่านั้น ไม่รวมพวกอาบมนุษย์ทั้งหลายและสำหรับมนุษย์นี้ก็ทั้งจะสั่งเองส่งทูตไปวางยาพิษวางกับดักคิดแผนร่วมแล้วก็จะเกี่ยวหมดนะจะถึงอาบัตในข้อนี้ทั้งหมดแต่ซึ่งถ้าเราพิจารณาดูดีๆเนี่ยหลักการที่สำคัญในอาบัตตั้งแต่3มข้อที่ข้าพเจ้าเล่ามาให้ธรรมบวชฟังเนี่ยก็จะเน้นเรื่องที่เจตนาเั้นเป็นหลักนะว่ามีเจตนาในการทำหรือไม่ โดยเฉาะอย่างยิ่งในข้อที่2และข้อที่3นี้ในอย่างไรก็ตามการกระทําทางกายหรือวาจาเนี่ยพอดีมันก็สอนเจตนาได้แล้วคนในสมัยนั้นเนี่ยท่านผู้ฟังพวที่เขามีความละอายคือมีลัทธิเนี่ยเขาก็จะพูดตามที่เขาคิดพูดตามที่มันเป็นแต่คือถ้าสอบถามกันว่าท่านคิดอย่างไรเขาก็จะตอบไปตามนั้นเพราะว่าเขามีความละอายแต่ถ้าเจอพวกที่มีความไม่ละอายแต่ความละายนี่คือลัทธิ ความไม่ละอายนี่คืออาราชีเนี่ยเจอพวกที่มีความไม่ละอายเนี่ยหมู่สงคือภิกษุที่ดีนั้นจะต้องมีความเข้มแข็งนังกพระเจ้าได้ยกตัวอย่างของภิกษุรูปหนึ่งที่ชื่อว่ายมากะไปเมื่อตอนก่อนนั้นเพริยธรรมบุฟังได้พิจารณาเห็นรูปแบบในการที่จะปรับทิฏฐิความเห็นของคนที่ไม่ดีมีลักษณะเป็นโจรเนี่ยให้มามีลักษณะเป็นบัณฑิตได้และโดยท่านพระสารีบุตรนั้นมีความสามารถในการที่จะ บอกกล่าวบอกสอนให้ภิกษุนั้นปรับทิฏฐิความเห็นได้คือหมู่ภิกษุที่ดีๆนั้นจะต้องมีกำลังในการที่จะปกครองในการที่จะระ ง, งับอธิกรณ์ในการที่จะขับคนที่ไม่ดีให้ออกไปได้ในเรื่องของอาบาติปาราชิกที่ข้าพเจ้านำต้นบัญญัติมาเล่าให้ตัมบูฟังฟังเนี่ยก็ยิ่งเหลืออีกข้อหนึ่งตัมบูฟังตอนแรกข้าพเจ้าคิดว่าจะนำมาเล่าให้ตัมบูฟังได้หมดภายในตอนนี้แต่พูดไปพูดมาแตะมันต้องกลับมีอีกตอนหนึ่ง นั่นคือประชิกในข้อที่4ซึ่งก็จะนํามาเล่าให้ท่านบุฟังฟังในโอกาสต่อๆไปเน้นย้ํากันอีกครั้งหนึ่งท่านบุฟังว่าเรื่องของอาบัตเนี่ยคือไม่ใช่เป็นบทลงโทษหรือว่าเราจะเอาไปคอยเพ่งโทษโจษคนนั้นคนนี้แต่จุดประสงค์นั้นเพื่อให้มีการตรวจสอบตนเองให้มีการตรวจสอบกันเป็นหมู่คณะเพื่อดีต้องการจะให้เอาสิ่งที่ไม่ดีไม่ดีเนี่ยให้มันออกไปทําสิ่งที่ดีให้บุคคลนั้นพ้นจากความผิด ผลจากความล่วงละเมิดตรงจุดนี้เขาก็จะได้ดีขึ้นมาเพื่อให้สัตรมนั้นตั้งอยู่ได้นานพระพุทธเจ้าบัญญัติสิกขาบทเหล่านี้เพื่อให้หมู่ภิกษุเนี่ยได้มาทบทวนทำความเข้าใจให้ดีให้ถูกพระภิกษุก็จะนำศีลเหล่านี้ที่มีปาราชิกมาเป็นเริ่มต้นเนี่ยมาทบทวนกันทุกสิบห้าวันบรวิัญชนะที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ในปาราชกขอดีสนี้ท่านตราสไว้บอกว่า โยปนาปิกุสั้นจินจกมนุสสปิกหังชีวิตาวโรปยะสต้ห้ระกลางวาสะปริเยเสยยะมรณวันนางวาสังวันเนยะมรณายวาสมาเดปัยยะอัมโพปุริสกินตุยหิมินาปาปะเกนะดุจชีวิตเณมะตันเตชีวิตาเสยโยติอิติจิตตมโนจิตตสั่งกะปัวในกะปริยาเยะมรณะวันนางวาสังวันเนยะมรณายวาสมาเดปยยะอัยมปีปาราชิโกโหติอสรั่งวาโซ อันหนึิสูจนดแกล้งพรากายมนุษย์จากชีวิตหรือสแสวงหาสตราอันจะนําเสียให้แก่กายมนุษย์นั้นหรือพัฒนาคุณแห่งความตายหรือชักชวนเพื่ออันตายด้วยคําว่าแน่นายผู้เป็นชายมีปริยอะไรแก่ท่านด้วยชีวิตอั่วนี้ท่านตายสิดีกว่าเป็นอยู่ดังนี้เธอมีจิตใจมีจิตดัมเรตอย่างนี้ปัฒนาคุณแห่งความตายก็ดีชักชวนเพื่ออันตายก็ดีโดยหลายนแม้พิกษุนนี้ก็เป็นปรราชิษฐาสังวาสไม่ได้ในวันนี้เวลาก็หมดแล้วท่านผู้ฟังข้าพเจ้าพระมหาไพบุญอาพิปุโ น, โนจากวัดป่าดอนไหโศกเจ